โยโอาอนันทะธัมโมจะวิน an ิโยจะเทสิโตปัญญโตโสโวมมจะเยนะสัทธาดูก่อ น, นอนุนธรรมะและวินัยใดที่เราตาตาคกตแสดงแล้วบัญญัติแล้วแกพวกเธอทั้งหลายเมื่อเราปรินิพานแล้วธรรมะและวินัยนั้น จะเป็นศาสดาของผู้เดือดรังหลายยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรวมกับมูลนิธิปัญญาปาวนานำเสนอรายการธรรมะรับอรุณในทุกวันนี้เป็นช่วงของจิตตะวิเวกเป็นโอกาสที่เราจะมาฝึกทำจิตของเราให้มีความสงบให้มีความวิเวก ให้มีความหลีกเล่นให้มีความเย็นใจเกิดขึ้นจากในภายในในวันนี้เราจะเจริญพุทธานุสติคือการตามระลึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นบทแห่งธรรมที่ท่านได้ตรัส บ, บอกไว้กับท่านพระอานุนเรามานึกถึงเหตุการณ์นั้นนึกถึงเหตุการณ์ที่ตอนพระพุทธเจ้าใกล้จะประินิพาน ตอนนั้นก็งอมมากแล้วท่ามผฟั ง, งคนอายุ8ปสิบหนังเหี่ยวผมงอกเดินหลังค่อมไปนี่ก็ช้าๆเคียวอาหารนี่ก็ช้าๆกินได้แต่ข้าวต้มช่วงนั้นเราตั้งสตินึกถึงพระพุทธเจ้าในคุณของท่านเก่าคุณของท่านทั้งหมด ไม่ว่าจะปัญญาโกรุณาความสามารถใดๆอะไรก็ตามให้มารวมอยู่ในคุนข้อพุทธโธให้นึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าในข้อพุทธโธในใจของเราเริ่มต้นจากการมานึกถึงคำว่าพุทธโธพุทธโธพุทโธนึกถึงคำว่าพุทธโธไว้ในใจ เริ่มต้นที่คํานี้ซะก่อนเหมือนกับว่าเราจะไปตามหาใครหน้าตาเขาเราก็ไม่รู้จักเสียงเขาเราก็ไม่เคยได้ยินไม่เคยเห็นกันมาก่อนรู้จักแต่ชื่อน่ะว่าคนนี้เขาชื่อนี้เจอไปตามหากันเจอได้ก็ต้องเรียกชื่อกันตะโกนเรียกบ้างสอบถามคนอื่นบ้าง คุณในข้อพุโทโธเราอาจจะยังไม่เคยได้ได้น้อยได้มากแต่เราจะทำคุณข้อนี้เอาคุณธรรมอันนี้ของพระพุทธเจ้ามาตั้งไว้ในใจของเราเนี่ยก็เริ่มจากเอาคำนี้มาท่องไว้ก่อนเหมือนตอนเด็กๆไม่รู้ความหมายของคำอะไรต่างๆก็ท่องไปก่อนท่องศัพท์นี่แหละเหมือนกัน ยังไม่รู้ว่าอะไรคืออะไรก็ท่องไปท่องไปต้องมาเออมันก็เข้าใจรู้ได้เกิดจากความจำสัญญาแล้วจึงค่อยเกิดเป็นปัญญาเราม น, นึกถึงคำมาพุโทโธพุโทโธพุโทโธไว้ในใจของเราตั้งคำนี้ไว้เพื่อที่จะให้จิตใจของเรานั้นตั้งดิ่งอยู่ต่อกับพระพุทธเจ้า การนึกถึงคำว่าพุโทโธพุธโทโธนั้นเป็นจุดเริ่มต้นเฉแน่นอนว่าในขณะที่เรานึกพุโทโธนั้นเราไม่จำเป็นที่จะต้องดูลมหายใจไปด้วยจะดูหรือไม่ดูไม่ได้จำเป็นสำคัญต่อกันไม่ใช่ว่าทำอันหนึ่งเราจะต้องทำอีกอันหนึ่งไปด้วยหรือว่าถ้ามีอันหนึ่งแล้วจะมีอีกอันหนึ่งไม่ได้ไม่เกี่ยวกัน เราะอย่างเวลาคนที่เคยฝึกทําอาณาปานสติมานะตะูฟังนะวันที่เราก็นึกถึงเรื่องราวของพระพุทธเจ้าฟังกุทธประวัติฟังเรื่องราวพระสูตรอะไรต่างๆไปด้วยนะเามันก็จเจริญพร้อมกันไปได้กุฏานุสติครับอาณาปานสติไม่ได้ขาดกันหรอกแต่ในที่นี้เราอย่างเดียวเราไม่จําเป็นจะต้องดูเราไม่ใช่ไปด้วยจะดูหรือไม่ไม่มีปัญหาจะทําหรือไม่ไม่ใช่ประเด็น แต่ในที่นี้เรานึกพุโทโธไปกันกลองฝึกทาวิธีนี้ดูการฝึกการทําในวิธีการต่างๆจะทำให้เรามีประสบการณ์ในการปฏิบัติมากขึ้นทำวิธีนี้ก็ได้ทำวิธีนั้นก็ได้มีความคล่องแคล่วมีความคล่องตัวสูงในที่นี้เรามาฝึกดูพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธตั้งพุโทโธไวในใจ ไม่ต้องบังคับกายคือลมหายใจว่ามันจะต้องมาจังหวะเดียวกับพุทโธไม่เกี่ยวจะอันเดียวกันไม่อันเดียวกันไม่ใช่ประเด็นไม่ต้องบังคับเกรงคอเกรงไหลเกรงหลังเกรงคิ้วเกรงขาไม่ต้องเกรงไหลไหลคอคิ้วขารวมถึงหลังด้วยให้มันยังสบายสบายแล้วก็ไม่ต้องบังคับความคิด ความคิดเนี่ยมันตัวดีเรานึกพุโทโธพุโทโธเป็นอะไรอะ่ะก็คิดนั่นแหละคุณคิดคําว่าพุโทโธพุโทโธหรือความคิดอื่นมันก็ตามมาด้วยใช่ั้ยล่ะเออนี่แหละมันจะได้เห็นกันชัดๆว่าในขณะที่เรานึกพุโทโธพุโทโธอยู่มันมีความคิดอื่นแทรกเข้ามาได้คนเรามันไม่ได้คิดความคิดเดียวตลอดเวลา เดี๋ยวนึกพุโทโธล้ในขณะที่นึกพุทโธเราก็วันนี้นจะกินอะไรล้ว ก, ก็ฉันจะจะไปไหนพุโทโธไม่ได้ลืมนะแต่มันมาด้วยกันอย่าลืมพุโทโธหรือถ้าลืมพุโทโธไปนึกได้เมื่อไรกลับมานึกพุโทโธเหมืนนั้นไม่ต้องไปพยายามบังคับความคิดว่าความคิดนี้อย่าคิดบังคับว่าความคิดนี้ต้องคิด ถ้าบังคับความคิดเราจะปวดหัวในที่นี้ให้เรามีการควบคุมควบคุมกับบังคับไม่เหมือนกันจนเปรียบไวเหมือนกับเวลาที่เราถือภาชนะที่เต็มด้วยน้ำถึงขอบปากมาเลยเช่นถือแก้วแก้วนี่เต็มถึงปรีขอบปากมาเลยเนี่นะถ้าจับแน่นเกินไปเกรงเกินไปมือสั่นนะ น้ำกระชอกปกได้ถ้าจับล้วมมือเกินไปใช่ไหมมันก็ถือไม่อยู่อะไม่มีแรงจับไม่มีแรงบีบแก้วก็ตกแตกได้นะแต่ต้องจับอย่างมีความมั่นคงข้อมือนี่จะดิ้นไปดิ้นมาไม่ได้ต้องเกรงขึ้นแต่เกรงมากก็ไม่ได้มือมันจะสัน่นลักษณะนี้หลายตำรางเป็นการควบคุมหรือเปรียบเหมือนรถยน์เอา รถยนต์นี่ถ้าคุณเบรกอย่างเดียวเหยียบเบรกมันจะไปไหนได้หรืมันก็ไปไม่ได้หรือถ้าเร่งอย่างเดียวไม่เบรกเลยเอามันก็ไปไม่ได้เหมือนกันไปแล้วก็หยุดไม่ได้อุบัติเหตุแต่บางทีต้องเร่งบางทีต้องเบรกบางทีต้องเลี้ยวบางทีต้องตรงลักษณะแบบเนี้คือการควบคุมฝังเครื่องบินเอ้ถ้ามุ่งหน้าอย่างเดียวบินขึ้น ไม่มีการเขาเรียกว่าคอสคอร์เรคชั่นคือปรับทิศทางของหัวเครื่องให้มันกับกระแสลมเข้ากันในลักษณะที่จะให้ทิศของการเดินทางไปในทิศที่ต้องการพูดถึงเรื่องบินอาจจะนึกถึงเรือก็ได้เวลาสีเรือจะต้องปรับหัวเรือตามกระแสลมหรือตามกระแสน้ำ ในลักษณะที่จะให้ทิศทางการเดินทางนั้นไปในทิศที่ตนต้องการได้ถ้าน้า ม, มาเฉียงเฉียงเราก็ต้องเฉียงไปอีกทางหนึ่งลมเฉียงมาทางนี้เราต้องเฉียงไปทางนั้นเพื่อให้ทิศทางที่เราจะเดินทางไปเนี่ยมันไปตามที่ต้องการนี่คือลักษณะการควบคุมตาวบังเฉ่นเดียวกันว่าในที่นี้เราตั้งสติสตินี่จะเป็นตัวแยกแยะ ให้เกิดการควบคุมได้โดยมาระลึกถึงเฉ ย, ยระลึกถึงในที่นี้หมายถึงนึกถึงนึกถึงในที่นี้ก็คือคิดนั่นแหละอย่างเรานึกถึงหน้าพ่อหน้าแม่นึกถึงว่าเออฉันเก็บกุญแจไว้ที่ไหนนึกถึงว่าวันนี้จะพูดเรื่องอะไรหรือทำอะไรความนึกได้ความระลึกได้เหล่านี้คือสติทั้งสิน้นสติ แทนที่ในที่นี้จะเอาไว้กับเรื่องนั้นเรื่องนี้สิ่งของนั่นนี่เอามาไว้กับคำว่าพุโทโธพุโทโธพุโทโธนึกพุโทโธไว้ในใจอย่าบังคับความคิดแต่บังคับว่าฉันต้องคิดนึกพุโทโธมันจะกลายเหมือนเป็นนกกระจาบที่เวลาคนจับนกกระจาบด้วยมือสองมือ บีบแน่นเกินไปนกมันก็จะตายได้แต่ถ้าจับนกกระจาบด้วยสองมือหลวมมือเกินไปนกมันก็บินหนีไปได้เอาพอดีพอดีพอดีๆอ ด, อ ด, อดีในที่นี้หมายถึงการควบคุมพอในลักษณะที่เราจะนึกถึงคำว่าพุดธโตได้อย่างเป็นธรรมชาติธรรมดาทั้งทางกาย คือท่านั่งตำแหน่งท่าทางลมหายใจและทั้งทางใจคือทางความคิดนึกอื่นๆต่างๆในเรื่องการพยายามบังคับความคิดว่าไม่ให้มันคิดนี่แหละมันจ ะ, ะไม่ปวดหัวเราไม่ต้องไปบังคับว่าอย่าคิดเราแค่ตั้งถิดไว้อยู่ครับพุทธโธกำหนดไว้คํานี้เขาใช้คำว่านึกได้กแล้วกัน ระลึกถึงกำหนดได้เฝ้าสังเกตดูตั้งจิตกำหนดรู้คำเหล่านี้เป็นคำที่มีความหมายคล้ายคลึงกันเหมือนกันคือสตินั่นเองสติคือการระลึกได้แต่ที่ในกรณีนี้เราจะนึกถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องน้อนเรานึกถึงคำบากพุดโถไว้แล้วนะ ในขณะที่เรานึกถึงคำพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธเพื่อที่จะให้คุณธรรมในข้อพุโทโธของพระพุทธเจ้าปรากฏขึ้นในจใจใจของเรามันก็จะมีความคิดนึกนเรื่องอื่นที่เราก็จะนึกได้ผ่านเข้ามาด้วยนะเป็นเรเบไว้เหมือนกับคนเข้าคนออกประตูนี่แหละมันมีหลายคนเนี่ยเดี๋ยวคนนี้ก่อเขา่าเดี๋ยวคนนั่นก่อเขา่าเดี๋ยวคนนี้ก็ออกเปรยียบไว้กับเสียง เสียงมันก็มีหลายเสียงเวลามันกำหนดขึ้นมาเนี่ยิ่งโดยเฉพาะเสียงดนตรีนี่เสียงดนตรีคุณฟังโอ้มีทั้งอิเล็กตรอนกีตาร์เบสเสียงร้องเสียงเครื่องจังหวะกรองปนกนมาหลายอย่างอันนี้ก็มาเป็นกลุ่มคือเป็นแบงเป็นวงหรือรสอาหารนะคุณรับประทานแกงส้ม มันทั้งเผ็ดนะทั้งเปรี้ยวด้วยนะหวานก็มีนะเนี่ยเค็มก็ใช่เค็มของแกงส้มนี่ไม่ใช่เป็นเค็มแบบซีอิ้วแน่นอนมันต้องเค็มน้ําปลาเปรี้ยวของแกงส้มนี่มันไม่ใช่มะนาวแน่นอนมันต้องเป็นมะขามเปียกและอรสชาติต่างๆที่มันผ่านลิ้นเราก็มานี่มันก็หลายอย่างนะเหล่านี้เป็นช่องทางนะช่องทางลิ้น ก็รับรถใช่ปะช่องทางหูก็รับเสียงใช่ไหมละ่ะแล้วช่องทางใจรับอะไรหลายอย่างหนึ่งในนั้นคือความคิดความคิดนี่ก็หลายอย่างคิ ด, ดเรื่องอดีตปัจจุบันอนาคตตัวเราตัวเขาสิ่งของเข้าของการงานโอจิปาทัพุโทโธด้วยอย่าลืมพุทโธโดยมาด้วยมาด้วยนึกพุโทโธพุธโทโธไวในใจ ความที่เราพยายามจะระลึกถึงตรงนี้ความระลึกได้นั้นคือสติคาว่าพุทธโธไม่ใช่สติตัมบูฟังความคิดเรื่องพระพุทธเจ้าเรื่องพระธรรมเรื่องพระสงฆ์เรื่องสาวกความคิดเหล่านั้นไม่ใช่สติไม่ใช่แต่การระลึกถึงความคิดเหล่านั้นได้ความนึกได้นี่คือสติ แยกแยกกันในออกนะแยกแยกกันในออกนึกพุโทโธไว้ในใจเหมือนป้อมยามจะลมหายใจก็ตามจะกรรมพุโทโธก็ตามลมหายใจนั้นพุโทโธนั้นไม่ใช่สติแต่เป็นเหมือนกับป้อมยามที่ให้ยามคือสติมาอยู่ที่นี่เฝ้าอะไรประตูละ่ะประตูใจประตูหู ประตูลิ้นประตูตาตาหูจมูกลิ้นกายห้าอย่างเหล่านี้จะพุ่งลงรวมวิ่งเข้าสู่ประตูใจเราตั้งสติไว้ที่ประตูใจก็จะรับสิ่งต่างๆเหล่านี้ประตูแล้วยังไงก็มีคนเข้าคนออกคนเข้าคนออกก็คือเสียงกลิ่นรสผดท่าพะธรรมารม เข้ามาทางประตูใจถ้าไม่มียามก็รักษาเฝ้าตรวจตราดูแยกแยะเดี๋ยวขโมยก็เข้าออได้เดี๋ยวสิ่งที่จะทำให้เกิดอกุศลธรรมก็เข้าออได้บางทีก็ข โ, โมยความดีของเราออกไปข โ, โมยสิ่งที่เป็นกุศลไปโนๆโไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เอาสติก็เราเฝ้ า, าไว ห้ามคนที่ไม่ควรเข้าคืออากุศลกรรมทั้งหลายอยู่ตรงไหนตั้งยามขึ้นไปก่อนเถอะตั้งสติขึ้นมาก่อนหรือมันจะค่อยเจอกันในที่นี้เริ่มจากการทรี่เรามานึกถึงคำว่าพุโทโธพุโทโธไว้ในใจของเราความคิดนะั้นมันไม่ได้เป็นรูปมันไม่ได้มีตำแหน่งหรอกแต่ถ้าจะเอาตำแหน่งเอาท่ามกลางอกก็ได้ นึกถึงคำว่าพุดโตพุดโตไว้ท่ามกลางอกแต่ความคิดมันไม่ได้เป็นรูปเป็นเสียงหรือเป็นตำแหน่งอะไรเป็นเพียงความคิดเฉยๆพรเรานึกถึงตั้งอยู่กับจดจ่อไว้กาหนดดูสังเกตระลึกอยู่กับคำว่าพุดโตพุดโตแล้วไม่ต้องบังคับว่าอย่าคิดความคิดอืน่ในใด ไม่ได้บังคับกายสติเราก็จะมีกำลังค่อยๆมาขึนมาขึนตามกระบวนการของพุทธานุสติซึ่งเปรีเบเทียไว้ทุมฝังเหมือนกับเวลาเราเอาสัตว์หกชนิดมีนกมีสุนัขบ้านมีสุนัขจิ้งจอกมีจระเข้มีงูแล้วก็ลิง พวกตัวนี้เปรียบเทียบกับรูปเสียงกลิ่นรสโภชภัณฑ์และธรรมารม์เปรียบนกกับรูปประว่านกตามันดีมองเห็นรูปจากที่ไกลไกลได้เปรียบสุนัขบ้านเหมือนกับเสียงเพราะว่าหูมันดีมันได้ยินเสียงมนุษย์รู้ว่าเขาเรียกชื่อรู้ว่าเขาจะทําอะไรรู้ความหมาย เข้าใจความได้เพราะหูมันดีเปรียบสุนัขจิ้งจอกกับกลิ่นเพราะว่าจมูกมันดีมันสามารถดมกลิ่นจากที่ไกลรูร้ว่าตรงไหนมีซากศพห่างเป็นหลายๆกิโลมันก็ยังตามไปได้เพราะจมูกมันดีเปรียบจระเข้ไว้กับลิ้นเพราะว่าจระเข้เวลามันกินอะไรเนะี่ยมันกลืนเข้าไปเลย กลืนเข้าไปเลยเพราะลิ้นมันสั้นนิดเดียวลิ้นมันสั้นนิดเดียวจะลิ้มรสเนี่ยมันก็ต้องกลืนเข้าไปลไปะเพืนจอรู้ได้ใส่ปากก็จะไม่รู้เขาจึงเอาเจอยแค่เบรย์ไว้กับลินเรียกงูไว้กับกายเพราะว่างูมันไม่มีขาเวลามันเดินไปไหนก็ตัวไถยไปเรเรีกกิริยาที่เอาตัวไถไปว่าการเลื้อย จงอางูเปรียบไว้กับกายเปรียบลิงไว้กับธรรมารมที่ธรรมารมเวลาแล้วมันก็เกิดขึ้นแล้วมันกร็ดับไปเหมือนลิงมันไม่อยู่นิ่งมันชอบวิ่งไปมาในช่องทางใจมันก็จึงมีธรรมารมเกิดขึ้นปุ๊บป๊บปุ๊บๆเป็นความคิดเป็นความรู้สึกต่างๆมากมายตาหูจมูกลิ้นกายลใจ รูปเสียงกลิ่นรสผตบะธรรมรมเปรียบเทียบกับสัตว์6ชนิดถ้าจิตเราไม่มีอะไรรักษานะดูฟังนะจิตมันก็จะไปหารูปผ่านทางตาถ้าจิตเราไม่มีอะไรรักษามันก็จะไปเกลือกลัวในเสียงผ่านทางหูถ้าจิตเราไม่มีอะไรรักษามันก็จะไปกลือกลัวกลิ่นผ่านทางจมูกที่มันมาเนี่ล่ะ แต่จิตเราไม่มีอะไรรักษาเนี่ยมันก็จะเพลินไปตามรถที่ผ่านทางลิ้นสัมผัสผ่านทางกายความคิดนึกตามารมณ์ผ่านทางใจเหมือนนกที่มันก็จะบินขึ้นฟ้านี่แหละนกคือรูปใช่ไหมละ่ะฟ้าคือตารูปผ่านต่างๆสุนัขบ้านมันก็จะวิ่งเข้าไปในหมู่บ้านแหละได้ยินเสียงเจ้าของเรียก บานนั้นก็คือหูสุนักก็คือเสียงที่เราก็จะไปตามนั้นสุนักจริงจอกคือกลิ่นมันก็จะไปสู่ป่าชา้าหีนิบที่เก็บซากศพเพราะมันได้กลิ่นคือมันก็จะไปทางจมูกกลิ่นต้องไปทางนั้นเท่านั้นจระเข้มันก็จะลงน้ำละ่ะเพราะนั้นเป็นที่อยู่ของมันเหมือนกลิ่นมันก็จะต้องไปทางจมูก ไปทางหูไปทางลิ้นไม่ได้กลิ่นต้องเข้าจมูกเท่านั้นจระเกก็ต้องหลงน้ำงูก็ต้องเข้าจอมปลวกเป็นรูของเขาเหมือนกันกับโสพภะสัมผัสทางกายมันจะไปเข้าตาได้ไงมันก็ต้องไปทางกายธรรมชาติเขาเป็นอย่างนั้นเหมือนกับความคิดนึกต้องเกิดขึ้นในช่องทางใจลิงก็ต้องไปป่าลิงคือมารม เข้าสู่ป่ากู้ใจหลายอย่างอยู่ในนี้มันก็ไปเป็นธรรมชาติที่ว่าจิตของเราจะเปลอเพลินถูกดึงไปได้แต่ว่าถ้าเรานำสัตว์หชนิดเหล่า น, นั้นมาผูกด้วยเชือกที่มีความเหนียวมีความแน่นหนามีความมั่นคงแล้วก็มาผูกไว้กับเสาเขื่อนเสาหลักสัตว์ทั้งหกชนิดเหล่า น, นั้นจะไปไม่ได้ เสาเกินเสาหลักในที่นี้คือสติเราจะให้สติเกิดได้เราใช้กุฏิมือคือพุทโธสติไม่ใช่พุทโธแต่ว่าการนึกถึงพุทโธนั้นคือสติการนึกได้การระลึกได้เป็นเหมือนเสาเพาเรานึกถึงพุทโธพุทโธขึ้นมาสติก็จะมีกำลังมากขึ้นตามกระบวนการของพุทธานุสติสติที่มีกำลังมากขึ้นหมายถึงเสาที่มีความแน่นหนามั่นคง สามารถที่จะปลูกสัตว์หกชนิดเหล่านั้นร้อ้มันมีกำลังมากมันก็จะไปไม่ได้เปรียบเทียบส่วนต่างนะทุกฝั ง, งถ้าบว่าเสามันไม่มั่นคงอะ่ะเสาเป็นเสาแบบไม้ลูก่อเป็นไม้ไผ่ธรรมดาส่เล็กเล็กปักลงบนกองแกลบหรือบนดินเลนปักลงใบก็ปากไม่ลึกถ้าเอาสัตว์หกชนิดโอ้ยไม่ต้องพูดถึง นกหรือสุนาขจรจอกแล้วเอาแค่ว่าลมพัดนี่ลมพัดวุ่นวุ่นมาว้าวๆลมแล้วลมแล้วไปเลยอยู่ไม่ได้หาไม่เห็นเหมือนกันนาะยต้อฟังว่าสติของเราถ้ามันอ่อนกําลังมันดเ่งกอเผลอไปไงประเด้ไม่เก่งนี่ต้องฟังว่าเวลาที่เราตรีตรึกคิดนึกไปทางไหนนี่จิตเราจะน้อมไปทางนั้นจิตเราน้อมไปทางไหนสิ่งนั้นก็จะมีพลัง เวลาเราไม่ตรีตร the ึกไม่คิดน kind of ึกไปทางไหนจิตเราก็ไม่น้อมไปอย่างนั้นน่ะจิตเราไม่น้อมไปทางไหนสิ่งนั้นมันก็อ่อนกําลังน่ะเวลาเราตรีตรึกคิดนึกไปทางไหนสิ่งนั้นก็มีพลังเวลาเราไม่ตรีตรึกไม่คิดนึกไปทางไหนสิ่งนั้นก็อ่อนกําลังลอดูคนที่ก็ย้ำคิดย้ำทำนี่คิดอยู่นั้นน่ะเรื่องเนี้สิ่งนั้นก็มีกําลังมากขึ้นมาใช่ไหล่ะคนที่มาหางานเงี้ยคิดเรื่องงานคิดเรื่องงาน สิ่นั้นก็มีอำนาจมีกำลังที่มาใช่ไหมถ้าเขาไม่คิดถึงเรื่องครอบครัวไม่คิดถึงเรื่องสุขภาพสิ่งนั้นก็อ่อนกำลังมันก็ไม่ได้ทําจิตไม่ได้น้อนไปก็เป็นอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นเราจะฝึกสติให้มีกําลังใช่ไหมเรามานึกพุทธโธไงเนตถึงระลึกถึงพุทธโธสติก็มีกําลังมากขึ้นตามกระบวนการของพุทธานุสติไงกระบวนการของเขาก็คืออย่างที่เรามานี่แหละ มันเป็นการระลึกได้พุโทโธพุธโทโธตั้งไว้ในใจประนึกพุโทโธพุธโทโธมีความคิดอื่นๆต้นามบานเข้ามาไม่เปลินไปในความคิดนั้นเสียงนั้นภาพนั้นแต่ไม่ลืมพุโทโธหรือถ้าลืมไปใช่ปะเส้นถ้าเชือกมันขาดไปแล้วสาวมันล้มแล้วนี่ตั้งขึ้นใหม่ตั้งขึ้นใหม่ผูกเชือกใหม่อย่าไปคิดน้อยเนื้อต่ําใจโอ๊ยทำไมฉันทําไม่ได้อีกแล้วเพราะความคิดนั้ น, นจะมันจะกลายเป็นอกษค วิธีการที่เราจะมาจอดจอตรีตรึกคิดนึกไปแนเรื่องไหนนะทังอยู่ที่เราชงคำถามให้เขาชงคำถามไปแบบไหนมันเป็นลักษณะที่คุณคาดหวังคำตอบได้เลยสึ่งถ้าเราชงคำถามไปว่าโอ้ยทำไมฉันทำไม่ได้เลยเนะเนี่ยทำไมโลกใบนี้มันเป็นอย่างนี้ทำไมสิ่งแวดล้อมมันไม่ดีเลยทำไมเป็นอย่างนี้ทำไมเศรษฐกิจมันเป็นอย่างนี้ ที่ว่าอย่างนี้อย่างนี้่มันไม่ดีใช่ไหมล่ะเวลาเราถามคําถามที่มันไม่ดีไม่ดีลงไปนี่อันนี้คือมันจะทําให้จิตของเรามันน้อมไปอย่างนั้นเลยเพราะว่าเวลาเราถามว่าทำไมฉันทําไม่ได้ทำไมเป็นฉันฟุ้งซ่านเนี่ยเนี่ยจิตมันก็จะมีคําตอบมาให้แล้วว่าอ๋อก็คุณมันขี้เกียจไงก็คุณมันไม่มีความสามารถเป็นคนไร้ปัญญาขาดศรัทธาเป็นคนมีสมาธิสั้นเนี่ดูเหตุการณ์นั้นเหตุการณ์นี้มันจะดึง วงใหญ่มาเลยล่ะทั้งวงอ่ะเหตุการณ์ที่จะสนับสนุนมาคุณทำไม่ได้อย่างนั้นอย่างนี้่งง น, นเพราะเราตั้งคาถามผิดจึงทำให้จดจ่อไปผิดทางไม่ใช่เฉพาะเรื่องธรามสมาธิหรอกเรื่องนี้ทั้งเรื่องการงานเรื่องความสัมพันธ์เรื่องสุขภาพทั้งหมดอ่ะถ้าเราจะบอกไอ้ทำไมสุขภาพชันเป็นอย่างนี้นะมันไม่ดี มันก็จะหาแต่ข้อไมเดียกรรมพันบ้างเรื่องนั้นเรื่องนี้บ้างหรือความสจำบันญอย่างเงี้ยทำไมคนนี้ก็เป็นอย่างนี้นะลูกเป็นอย่างงี้นะคู่ครองราสามีภรรยาเป็นอย่างงี้นะมันก็จะหาเพ่งจดจ่อไปแต่เรื่องที่เขาไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็อย่างงน้นตัวอ ย, อย่างที่ว่ามันจะเป็นพวงยวงยกกันมาเลยแต่ถ้าเราตั้งความคิดเราใหม่นะระวังนะตั้งความคิดใหม่ทําไง ถามคำถามใหม่คำถามเนี่ยจะเป็นตัวที่ปรับให้จิตของเรามันเพ่งจดจ่อไปไหนแล้วถามใหม่ว่าเออให้ฉันก็ทําสมาธิได้ตอนนู้นนะเคยทําได้อยู่นิดหน่อยสั้นๆเนี่ยให้มันทําได้ไงคื อ, อตอนนั้นเราทาได้ไงพึ่งเลยนะจิตมันจะมีความคิดมาเลยว่าอตอนนั้นห๋อเพราะคุณมีกอะไรนไะด้ไงเออมีครูบาอาจารย์คอยบอกสอนบ้าง หรือก็ตอนนั้นเนี่ยสุขภาพมันยังดีอยู่หรือว่าตอนนั้นเนี่ยฉันใช้วิธีนี้อ่ามันเริ่มจะเป็นบวกมาแล้วนะหรือเราตั้งคำถามว่าเออสุขภาพฉันนี่จะรักษาให้ดีได้ยังไงนะเอเอไอความคิดแนวจิตที่มันจดจด่จอไปเนี่ยมันเปลี่ยนทิศทางเลยนะทุกฝังเปลี่ยนทิศทางไปว่าเออจะทำดีให้มันเกิดขึ้นได้ยังไงออคุณก็รับประทานอาหารออกกาลังกาย หรือจากเลือกที่จะกินอย่า ก, กินน้ำตาลอย่า ก, กินแป้งมากแต่รับประทานผากให้มากจะไม่ได้ไปจดจอ่ออยู่โรคไปไข้เจ็บระบบพันธุกรรมอะไรที่เราเป็นน่ะความดีการพัฒนามันก็เกิดขึ้นได้หรือเรื่องความสัมพันธ์แต่ความสัมพันธ์ในครอบครัวความสัมพันธ์ระหว่างกู้ครองลูกพ่อแม่เออคนนี้เขาดีจุดไหนจะพัฒนาได้ยังไง ข้อเดียวเขามีอะไรบ้างาเราตั้งจิตขึ้นไว้อย่างนี้เนี่ยจิตใจการจดจอมเปลี่ยนตันตีท้่มฟังเนี่มาอยู่ที่ว่าเราโหลดคําตามว่าอย่างไรเป็นหนึ่งในห ล, ลายๆวิธีที่เราจะปรับทิศทางของจิตให้ไปทางไหนได้อยู่ที่เราตั้งคำถามสตาร์ด้วยนะเป็นอันที่สองปัญญาด้วยเป็นที่สามเอาตรงนี้ก่อนว่า ที่เรานึกถึงพุทโธพุทโธได้เนี่ยทุกคนทำได้หมดนะสั้นก็ตามยาวก็ตามไอที่สั้นๆคุณทำมาไงคุณตั้งจิตมาแบบไหนนั่งท่าอะไรเอาตรงนั้นละ่ะเวลาเราจดจ่อไปในเรื่องไหนสิ่งนั้นจะขยายออกเพราะมันมีกำลังมีกำลังแล้วขยายออกแล้วมันก็เพิ่มขึ้นไง เพิ่มขึ้นแล้วมีกําลังขยายออกมันก็ไปลดไอ้สิ่งที่เป็นอกุศลธรรมไงลดความเผลอสติลดความฟุง้งซ่านลดความง่วงซึมลดความคิดไปในทางการมจิตตั้งดิ่งอยู่ต่อกับพุทโธพุทโธพุทโธเวลาเรานึกพุทโธไว้ทําไม่เป็นธรรมชาตินึกพุทโธแล้ว ครานี้เรามาเปลี่ยนความกินบางดูบฟังเพราะว่าความคิดที่เป็นกุศลไม่ได้มีอันเดียวไม่ได้มีอย่างเดียวไม่ได้มีแบบเดียวคำว่าพุทโตหนึ่เป็นหนึ่งในนั้นคราวนี้เรามานึกถึงระเลิกถึงเหตุการณ์ดูบฟังพุทธประวัติเราจเจริญพุทธานุสติพุทธประวัติในช่วงเวลาที่พระพุทธเจ้าเสด็จปฏิบัติ ก, กรารการปฏิบัติไม่นานเท่าแล้วคือแก่แล้วพระพุทธเจ้าของเราชาราภาพมากใช้ร่างกายมาตั้งแต่สมัยยังเป็นหนุ่มตอนที่ทำทุกกรกิริยาทุงฝั่งลองคิดดูนะคนชาราสองคนคือพระอานอนท์กับพระพุทธเจ้าแต่คนหนึ่งดูแก่กว่ามากคือโส ม, มากนั่นคือพระพุทธเจ้า ในขณะที่ท่านพระอนุนก็ยังดูไม่ค่อยแก่เท่าไหร่แต่เพราะว่าความที่ว่าท่านมีการบำเพ็ญบุญมาทางด้านนี้ไม่ได้ใช้ร่างกายไปตอนทำทุกรกิริยาบวชหลังจากพระบุทรเช้าประมาณสองสปีแล้วท่านพระอนุนนีก็มีอายุยืนถึง120ปีด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นความที่ว่าอยู่ต่อไปสี่ปีนี่ ช่วงเวลานั้นก็เลยจึงยังไม่ได้ปรากฏความแก่ออกมามากเท่าพระพุทธเจ้าของเราสองคนก็อายุเท่ากันแต่พระ อ, อนนต์เป็นอุปตากพระพุทธเจ้าเห็นพระพุทธช า, เ น, ธชาเนี่ยโอ้โอได้รับความลำบากมากมีเวทนามากทั้งบงคือท่านพระอนน์เนี่ยรักพระพุทธเจ้ามากอยู่แล้วนะคือเป็นญาติกันแล้วก็เห็นกันมาตั้งแต่เด็ก รู้ถึงอุปนิสัยใจคอเป็นอย่างไรเห็นเจ็บไข้ได้ป่วยขนาดนี้พิดเป่าโดุเราจะแบ่งเอาความเจ็บปวดนั้นมาให้ท่านมีเวทนาดูเราลงบ้างเลยเพรามันได้ไหมได้ไมถ้าได้นี่ยจะขอแบ่งมาร้อยเปอร์เซ็นเลยไม่เอาครึ่งหนึ่งหรอกแบ่งมาหมดเพื่อที่ให้ท่านเนี่ยไม่ต้องเจ็บไงไม่ต้องมีเวทนามาก หรือเวทนามันไม่ได้เป็นของที่จะแบ่งกันได้แบบนั้นไงต่อให้คุณเป็นราชามหากตรัตนะที่จะมีอำนาจบัญชาการไปชนนึงขอบของมหาสมุทรทั่วทุกทิศทางคือแบบปกครองแวนแวนจนมีมหาสมุทรเป็นขอบเขตทุกด้านเลยเนี่ยมันก็สั่งเวทนาให้มันหยุดหรือให้คนนั้นรับเอาเวทนานี้ในกายไปมันไม่ได้จะละทำไมอะ ก็เหตุของมันมาเป็นอย่างนี้เหตุมันเกิดจากปัสสาวะปัสสาวะอยู่ที่กายกายของใครมกคนนั้นแหละรับไปอ่ะมันแบ่งกันไม่ได้อย่างนั้นในเวลานั้นทีเห็นว่าพระพุทธเจ้านี่โอ้มีทุกเวทนามากพยายามประกบประงมประคับระคลองท่านนี่ก็เข้าสมาธิเลือกเลยนะพระพุทธเจ้าเข้าสมาธิให้ระงับเวทนา คนภายนอกก็จึงไม่ปรากฏเห็นว่าท่านทุกข์ขนาดไหนแต่คนที่มีปัญญาดูแล้วมันรู้นะว่าเจ็บมากพอพระพุทธเจ้าเข้าสมาธิลึกเพื่อระ ง, งับเวทนาคือความปวดไม่เหมือนปรากฏออกมามากพระนนมีโอกาสแล้วก็จึงถามเรื่องนี้ท่วนบวหลังจากกลงอายุสังขารพระพุทธเจ้าบอกว่าอย่าคิดนะว่า ศาสดาเนี่ยไม่อยู่แล้วนะถึงเวลาที่เราไม่อยู่ไม่อยู่เนี่ยอยากคิดว่าตัวพวกเราเองเนี่ยไม่มีศาสดานะอยากคิดอย่างนั้นตนว่าอยากคิดอย่างนั้นเพราะว่าถ้าพระพุทธเจ้าบรินิพพานไปแล้วเราคิดว่าเราไม่มีพระศาสดาแล้วเสียกำลังใจเลยศรัทธามันจะตกเลยศรัทธ า, ต ก, าตกแล้วกำลังใจก็ตกด้วย กำลังใจตกแล้วการทำจริงแน่แน่จริงก็ลดลงด้วยพราคุณทำจริงแน่แน่จริงลดลงสติก็ลดลงแน่นอนสติลดลงแล้วสมาธิจะเหลืออะไรหรือน้อยนิดเดียวสมาธิมีนิดเดียวแล้วปัญญาจะเหลืออะไรไม่เหลือเลยแต่ถ้ามีความมั่นใจว่าผู้สอนอย่างอยู่ อย่าพึ่งเศร้าใจท้อใจเสียกำลังใจว่าผู้สอนคือศาสดาไม่มีแล้วใครละ่ะคือผู้สอนก็บพระพุทธเจ้าจะบริรนิพพานแล้วนี่ตั้งใครไว้ต่อให้ใครเป็นศาสดาท่านจึงบอกจัณระหนนว่าธรรมะและวินัยอันนี้ละ่ะที่ได้บอกแล้วสอนแล้วนี่แหละบัญญัติขึ้นมาแต่งตั้งเปิดเผยจำแน่แจกแจง เปรียบเทียบส่วนเหมือนส่วนต่างกำหนดบทเพียนชนะด้วยความรัดกุมรอบครอบไม่ละลวมมีทั้งตัวอย่างการใช้งานทั้งภาษาทั้งการออกเสียงทั้งความหมายที่ลึกซึ้งธรรมะเหล่านี้ละ่ะวินัยเหล่านี้ละ่ะที่จะเป็นาศาสดตราตว่ า, าศาสดราหมายถึงผู้สอน ธรรมะหมายถึงคำสอนก็เอาธรรมะที่ท่านสอนไปแล้วนี่แหละมาเป็นศาสนาคือผู้สอนแทนของนี้ก็หมายความว่าธรรมโหมดีพุทโธดิก็ถ้าพุทโธคุณหมายถึงตัวพระพุทธเจ้าอันนี้ใช่เลยแต่พุทโธอย่างไรก็ตามมันไม่ได้มีความหมายถึงแค่เฉพาะตัวพระพุทธเจ้าเท่านั้นเนี่พุทโธนี่จริงๆแล้วหมายถึงการตรัสริฐนะของพระพุทธเจ้า ตัวพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วเปล่งเสียงบอกไปเย็นชนะอะไรออกมานั่นคือธรรมโมงไงเอาสิ่งที่บัญญัติเอาสิ่งที่แสดงนั่นแหละมาเป็นศาสดามาเป็นผู้ที่เราจะเคารพบูชาบูชาศาสดาบูชาคำสอนบูชาการปฏิบัติบูชาศาสดาคือพุทโธ บูชาคำสอนคือธรรมโมบูชาการปฏิบัติคือสังโฆตั้งพุทโธธรมโมสังโฆไว้ในใจเรานึกพุทโธนะท่านฟังธรรมโมอยู่ในนี้สังโฆกอยู่ในนี้ด้วยสติและมันอยู่ตรงนี้สติคือการระลึกได้นึกถึงตั้งไว้คือเป็นสรระนั่นเองสติกับสราระก็มีรากฐานมาจากรำเดียวกัน หมายถึงการที่เรามีที่พึ่งที่เรอถึงที่ตั้งนหนึ่นงที่ตั้งของจิตหนึ่งเหมือนเรากําลังว่ายน้ําข้ามแม่น้ําที่มันไหลเชี่ยวกรากแบบบุ่มบุ่มบุ่ ม, มุ่มเลยละ่ะถูกกระแสน้ําพัดพาไปอยู่ด้วยเลยละ่ะจะว่ายไปถึงฝั่งโู้นให้มันได้โอ้ไปเจอก้อนหินก้อนหนึ่งอยู่กลางแม่น้ำเกาะอะดิ ก็จับไว้โอโหค่อยจะพักได้บ้างค่อยจะเป็นที่จับได้บ้างไม่ได้จะไหลไปถูกกระแทกด้วยสิ่งต่างๆเมืนพอดีพอ ด, พอดีอยู่ตำแหน่งนี้จับเลยเกาะเลยที่เกาะที่จับที่ตั้งนี่แหละคือสาดนะนี่แหละคือสติเราพุโทโธเป็นที่เกาะเอาธรรมโมสังโฆเป็นที่เกาะที่พึ่ง ที่กอที่พึ่งไม่ใช่ยึดนะเพราะยึดนี่มันคือความยึดหรือคืออุปาทานยึดนี่มันคือจะเอามาเป็นของตัวแต่เรากอดไว้นี่คืเราเตรียมพร้อมที่เราจะปล่อยเพื่อที่จะไปถึงฝั่งนู้นนะเราไม่ได้จะอยู่ตรงนี้เป็นปีเป็นชาตินะเหมือนกันนะมรรคแปดที่ฟังเราเอาไว้นี่เพื่อที่จะให้ถึงฝั่งนู้นนะเราไม่ได้จะเอาไว้เป็นของตัวเองนะไม่ได้ว่าถ้าเออฉันตายแล้วฉันจะเอาไปด้วยนะ สินจะมาที่ปัญญาไม่ได้ออกไปไม่ได้มันก็จบอยู่ที่ฝั่งนี้เหมือนมันมีเกาะแก่งกลางน้ำเราจะกระโดดหรือว่ายข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งคุณก็ต้องปล่อยสิ่งนี้ก่อนเวลาที่เราเอาอะไรเป็นสติตั้งไว้เราไม่ได้จะเอาไปด้วยเรากทุกังไม่ได้จะมาเป็นของเราเพราะว่าสิ่งที่เป็นของเราจริงๆเนี่ยมันไม่มีพยายามยุ่ยมันจะไม่ได้ สีนสมาธิปัญญานี่จะเป็นลักษณะที่มันดีกว่าเงินทองทรัพย์สินสิ่งของหรือไอเดียความรู้อินโนเวชันอะไ ร, ระอะไรเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นเวลายึดถือไว้แล้วความยึดถือไม่ได้ลดลงความยึดถือมันเพิ่มขึ้นแต่สีนสมาธิปัญญาถ้าเรายึดถือไว้ใช่ปะ่ะเราคิดว่าเราจะยึดมันเป็นของเราแต่ความยึดถือมันจะลดลงไง แรกๆผมก็ยึดถือก็อแหละ ว, ว่าอันนี้เป็นของเราเนี่ยนีศีลของฉันเออบุญของฉันเออแต่ไอ้บุญถ้าคุณทํามาดีๆเนะี่ยศีลสมาธิปัญญานี่นะไอ้ความยึดถือมันลดลงได้ความยึดถือลดลงลดลงหรืออะไรเพราะอะไรเพราะว่าจะยึดถือได้คุณตั้งสติไว้ก่อนใช่ไหมแต่ความยึดถือมัน จ, จะพอกปูนเพิ่มปูนเอาไม่เป็นได้แต่ว่าถ้าเรามีสติลัสสมาธิมันก็มามีสมาธิมาแล้วปัญญามันก็เกิด ปัญญาเกิดแล้วความยืดถึงมันก็ลดไงเออมันเป็นการลักษณะที่ทําความสะอาดไปในตัวแําเสกปรกแล้วก็มีระบบชําระทําความสะอาดไปในตัวร่างกายก็เหมือนกัน ร, ระบบย่อยอาหารเนี่ยเป็นความสกปรกอย่างมากเพราะมันคือของเน่าแล้วมันก็ลงไปเน่าในท้องเรานี่แหละแต่ด้วยความสกปรกมันก็มีระบบทําความสะอาดในตัวทําความสะอาดในลักษณะที่โอเคดูดซึมไปย่อยไปสลายไป ก็เป็นกระบวนการย่อยแบบหนึ่งเหมือนกันบูฟังเหมือนกันเราตั้งสติไว้อยู่กับพุทธโธนึกถึงคําสอนว่าคําสอนที่ออกมาในรูปของธรรมะคําสอนที่ออกมาในรูปของวินัยนี่แหละจะเป็นศาสดาเป็นผู้ที่เราจะเคารพย่ำเกรงบูชาวินัยคื อ, อไรลวังวินัยก็คือศีนนั่นเองระเบียบวินัยระเบียบ คือระบบไม่ว่าคุณจะอยากทําหรือคุณไม่อยากจะทําคุณก็ทําอยู่ดีนั่นคือวินยัยระเบียบ ว, วินัยคือจึงเป็นระบบแห่งความสําเร็จเพราะว่าถ้าเราทําตามข้อกําหนดใช่ไหมละ่ะ ว, วิธีนี้มันทําให้เกิดความสําเร็จอ่ะไม่ทําหรอกอก็ทำํทำไมทําตามวิธีที่มันจะให้สําเร็จมันจะสําเร็จได้ไงใช่ไหมละ่ะก็ไม่ทําทําไม่ทําตามวินัยมันก็ไม่สําเร็จแต่วิธีทางนี้มันเป็นทางแห่งความสําเร็จ แล้วเราลงมือทำอ่าไม่ว่าจะอยากทำหรือไม่อยากทำก็ทำก็แล้วกันนะจะอยากทำก็ลงมือทำจะไม่อยากทำก็ลงมือทำอยู่ดีเออความที่ว่าจะอยากหรือไม่อยากก็ทำอยู่ดีนั่นคือวินัยเหมือนกับเวลาเรารู้ว่ะเอาก็ล่งกายเป็นสิ่งดีต่อสุขภาพร่างกายใช่มละเออฉันต้องลุกไปมิงตีฮาแล้วก็ฟังรายการธรรมราบรื่นไปด้วยเอานะวันนี้ก็นอนงงก่อน ไม่อยากทำอย่างไรละ่ะไม่อยากทำก็เลยไม่ทำนั่นไม่ใช่วินยัยจะทำค่อยเวลาที่อยากจะทำนั่นไม่ใช่วินยัยแต่ทำอยู่ดีไม่ว่าจะอยากหรือไม่อยากนั่นคือวินยัยระบบมันมีอยู่แล้วใครๆก็รู้ว่าจะทำสำเร็จได้ไม่ nh, ว่าจะเรื่องอะไรมันต้องทำยังไงเด็กเรื่องเรียนทำไมจะไม่รู้ว่าวิธีที่จะให้เรียนเก่งได้คะแนนสูงจะทำยังไงคนทางานทาไมจะไม่รู้ว่าวิธีการทางานอย่างไรให้มีความก้าวหน้า ทไมเขาจะไม่รู้เขาก็รู้เห็นคนที่เขาทาสําเร็จได้ก็มีมาแต่ทำไมคุณไม่ทำอ่ะระบบมันมีอยู่แล้วใช่ไหมล่ะแต่วินัยมัมีไหมเอออยากทําจึงค่อยทำแต่ฉันไม่อยากสําเร็จแบบนั้นใ น, นขออ้างไเฉยถ้าระบบระเบียบ ม, มันมีอยู่แล้วเรามีวินัยระทำสําเร็จได้วินัยเนี่ยจึงเป็นความสามารถที่จะลงมือทําในสิ่งที่ต้องทําในเวลาที่เราจะต้องทํา ไม่ว่าเราจะอยากทำหรือไม่อยากทำก็ตามมีวินัยนะวินัยเนี่ยมันจึงเป็นการฝึกไงคือถ้าเราจะทำในเวลาที่เราอยากหรือไม่อยากนั่นคือมันไม่ได้เป็นปกติไงจิมบลลแต่ถ้าถึงเวลาต้องทำในสิ่งที่ควรทำคุณก็ลงมือทำเลยมันเป็นปกติเลยไงไม่ได้ต้องมพูดถึงว่าฉันอยากจะทำหรือไม่อยากทำสีนี่นหละทุกฝั่งมันจึงเป็นเรื่องปกติ เป็นความปกติที่ว่าเออฉันก็ทำอย่างเนี้ฮะฉันก็ทำตามระบบอย่างเนี้ น, นั่นคือวินัยทําตามระบบอย่างเป็นปกติคือศีลศีลกับวินัยมันจึงอย่างเดียวกันศีลหมายถึงความเป็นปกติตามระบบมันคือระเบียบ ว, วินั ย, ยงไงวินัยที่พระรพุทธเจ้าบัญญัติถ้าสำหรับคราวาสกรู้หัดเขาหลวมๆง่ายๆสบายๆคือศีลฮะ จะฆ่าสัตว์ no no n no. ก็ฉันไม่ได้ฆ่าเป็นปกติคือแต่ว่าจ ะ, จะตกยุงฆ่าสัตว์สัตว์เล็กหรือสัตว์ใหญ่เนี่โอ้ทาไม่ได้ปกติฉันเป็นอย่างนี้ไม่ได้ว่าเจออยากหรือไม่อยากคือไม่ได้คิดเลยหรือจะประพฤติผิดในกามดื่มสุราเมรัยแกล้งกล่าวเท็จลักเล็กขโมยน้อยฉกจริงวิ่งราวไม่ได้เป็นอุปนิสัยที่จะแบบวา หยิบจับของคนอื่นไม่เป็นไงไม่ได้จะถือเอาของเขาโดยที่เขาไม่ได้ให้ความที่ว่าจิตเรามันไม่ได้น้อมไปทำอย่างเป็นธรรมชาตินี่นั่นคือศีลแต่ใ้สำหรับคนที่มันยังไม่ได้เป็นธรรมชาติบางทีมันต้องฝืนซะก่อนไงฉันมักจะพูดโกหกอยู่เรื่อยอ่ต้องมีสติดึงเอาไว้สติเราตั้งเอาไว้จิตมันจะมีกำลังมีความระลึกได้แตมจริงนแน่ๆจริงมันก็จะดีขึ้นมาสำเร็จขึ้นมา ถ้าสำหรับพระชาพระสงฆ์นักบวชก็จะเริ่มตั้งแต่ศีนแปดป<ม>ขึ้นไปคือการประพฤติประมจันไม่เสพเมทุนคือกิจกรรมของคนคู่แล้วเกิด้าสามเณรก็มีศีลสิบุณหดึงของเงินทอนก็มาด้วยพ<ๆ>ระสงฆ์นี่ก็จะมีกหลายร้อยถ้าเล็กๆน้อยๆ น, น, น, นั่นนี่ก็เป็นพันข้อนั่นคือวินัยคือระบบคือระเบียบส่วนธรรมะ คือคำสอนที่อธิบายเรื่องเรียสสีโพชงเจตมักแบดอิธิบาทสีอินสีห้าและหมวดธรรมอื่นๆต่างๆมากมายที่ถกด้วยเรื่องการแบ่งใจทรัพย์เหล่านี้เราตั้งจิตไว้อยู่กับสิ่งนี้ถ้าคำสอนเหล่านี้คือตามและวินัย ยังมีอยู่นะท่านบวศาสนาคือคําสอนไม่ได้สูญหายไปไหนนะศาสดาคือผู้สอนก็ยังอยู่ที่นี่นะมันขาดแต่อะไรนี่ขาดศาสดาคือผู้สอนคําสอนคือธรร ม, มะมันขาดแต่ผู้ปฏิบัติเท่านั้นแหะเพราะว่ามันจะต้องครบองค์เป็นพุทโธธโ ร, โรโมสังกะไงผู้สอนคือพุโทโธคําสอนคือธโม ราคนทำอะ่ะคือสังโคไงลงมือทําลงมือปฏิบัติอยู่ที่ตัวเรารเพราะฉะนั้นสงฆ์คือหมู่แห่งผู้ปฏิบัติหน้าที่บริวารนี่ท่านจึงยกเป็นบริษัทคือกลุ่มไม่ใช่คนเดียวไม่ใช่กลุ่มเดียวแต่หลายกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มของภิกษุกลุ่มของภิกษุณีก็ใช้ก็เรียกว่าภิกษุสงฆ์ภิกษุณีสงฆ์กลุ่มของอุบาสกอุบาสิกา จะใช้คำว่าอุบาสกสงอุบาสิกาสงก็เรียกได้เลยเพราะสง์แปลว่าหมู่หมู่คือกลุ่มสงนี่ไม่ได้แปลว่าพระนะทุกฝั่ ง, งพิสุต่างหากนี่แปลว่าปร ะ, ะ, ระใช้มาจากคำวมาพิกุปเขียนรูปภาษาไทยคือภิกษุขอภาษาสังกฤติก็ามาใช้ด้วยไม่รู้มาไงแต่มันเขียนมาเป็นอย่างงี้บาลีจริงๆใช้ขอไข่คือพิกุปแต่คำว่าสงหมายถึงหมู่ มูพระภิกษุใช้คำว่าภิกษุสงฆ์มูอุบาสกใช้คำว่าอุบาสกสงฆ์มูอุบาสิกาใช้คำว่าอุบาสิกาสงฆ์ก็ได้สังโคเนม่ไปถึงหมู่เมื่อดเจาะจงคนใดคนหนึ่งเจาะจงเอามูที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเจาะจงตรงนี้ไม่ว่าบุคคล น, นั้นจะ นุ่งขาวห่มขาวยังบริโภคกา ร, รนุ่งขาวห่มขาวประพฤติปรมาจันหรือว่าหนุ่งผ้าย้อมน้ําฝาดโกนผมเป็นนักบวชได้หมดแล้วก็ไม่ใช่แค่มนุษย์ที่เป็นสี่บริษัทนี้ยังรวมถึงเทวดาถึงพรมด้วยที่เขาก็ปฏิบัติธรรมเหมือนกันนะบุฟังเทวดาที่ไม่ปฏิบัติธรรมก็มีนะเทวดาที่ไม่รักษาศีลเช่นพวกยกักษ์ หรือเทวดาบางเหล่าก็มีมิจฉาทิฏฐิแต่เทวดาที่เขารักษาสีมีสัมมาทิฐิก็มีน่งก็ช่วยรักษาศาสนารักษาคำสอนยังมีพุโทโธธรรมโมสังโกไม่เสื่อมไปไหนอยู่ในจิตใจเรามานึกถึงคำสอนต่างๆเหล่านี้คือธรรมะและวินัยที่ท่านบัญญัติไว้ก่อนที่จะปริญญาน พระบรุระชเจ้าของเราเนี่ยท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านความเสื่อมในด้านความไม่เที่ยงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเวลาท่านบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยอะไรนี่จึงดีไซน์มาออกแบบไว้กำหนดรู้วางแผนไอ้ตั้งแต่แรกว่าจะทำยังไงให้ศาสนาเนี่ยมันไม่เสื่อมไปไว้จึงบัญญัติเรื่องวินัยขึ้นมาบทเพียรชนะ น, นี่มีความรักกุ่มรอบคอบไม่ลาลวม ออกแบบภาษาในการที่จะใช้สืบทอดคําสอนให้มันต้องเป๊ะๆตลอดเรื่อยไปคือถ้าสมมุติว่าไม่ได้มีระบบคําสอนที่เปนปาลีภาษาในหวังคําสอนที่มันเพี้ยนไปหมดแล้วดูอย่างพุทธศาสนาในสายมหายาณนี่เราเห็นได้ว่าไอ้คําสอนทำไมมันพิสดารแปลงเพี้ยนไปในอีกหลายเรื่องเลยนะทั้งเรื่องอะไรที่มันบาติมันไม่ลงรับกันนะนังเพราะว่ามันเพี้ยนไปไง แต่ถ้าเราสืบทอดต่อกันมาอย่างดี น, นี่มันจะช่วยรักษาได้เพราะฉะนั้นเวลาที่เรามานึกพุโทโธนึกถึงคำสอนให้เรามีกำลังใจทุกฟังว่าตราบใดที่เรามีส ต, ติตั้งไวน้นี่คำสอนอยังอยู่ที่เรานะคำสอนตั้งไว้อยู่มีพุโทโธธมโมสังโฆอยู่ที่นี่เราเป็นหนึ่งในผู้ที่รักษาคาสอน เป็นหนึ่งในผู้ที่ปฏิบัติตามโอว่ายังระลึกถึงพระศาสดาผู้ที่บอกสอนไว้อยู่นึกถึงตั้งจิตไว้แล้วให้เราเจริญเมตตาเป้นานาผู้ฟังในตอนท้ายของการปฏิบัติวันนี้เราให้แผ่เมตตาไปให้เรานึกถึงบุญกุศลที่เราได้ทามาในวันนี้จากการเจริญพุท ธ, ธานุสติคือการตามระลึกถึงพระพุทธเจ้า ในไตรตรองใกล้ครวนในพุทธประวัติทำความเข้าใจแยกแยะเรื่องสติมีความเข้าใจในเรื่องปัญญาเรานึกถึงบุญกุศลที่เราได้ทำมาในวันนี้เเราก็ม่ได้ฆาสัตนะ์นีลเราก็มีใช่ไหมละ่ะเออจิตเราก็ตั้งสติไว้กับโตใช่ไหมละ่ะปัญญาเราก็เห็นความแตกต่างของสิ่งต่างๆนะนี่เป็นบุญรเรานึกถึงบุญกุศลข้อ น, นี้ตำฟัง จะทำให้จิตของเรานั้นตั้งอยู่ได้ดีดำรงอยู่ได้ดีในภายในพาเรามีจิตที่ตั้งอยู่ดำรงอยู่ได้ดีในภายในให้กำหนดจิตด้วยเมตตาให้สร้างจิตที่ประกอบด้วยเมตตาดวงหนึ่งขึ้นมาในช่องทางใจของเราสร้างจิตที่ประกอบด้วยเมตตาจะเป็ไงถ้าให้นึกถึงเวลาที่แม่คือมารดา คลอดลูกคนแรกออกจากคันของตนออกมาแล้วดูความเจ็บมีมากมายปานใด น, นีหายเป็นผปลิตทิง้งพะเขาเอาลูกที่เพิ่งคลอดออกจากคันของตนมาให้อุ้มอุ้มอยู่บนอกนี่อ้อยมันจะมีจิตใจปราบปลือมยินดีมีความรักกว่าเมตตากับลูกนั้น หวังว่าเออให้ลูกคนนี้มันได้ดีมีความสาเร็จมีความสุขร้องไห้อยู่ก็อยากได้ทุกร้องไห้อยู่ก็ให้เป็นสุขกินอยู่เดินอยู่อะไรให้เป็นสุขมีจิตเมตตาแบบนั้นตั้งจิตไว้แบบนี้แล้วก็แผ่เมตตาไปตมุฟังแผ่เมตตาไปเริ่มจากตัวขเราแผ่เมตตาให้ตัวเองคือกอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากการผูกเวร ปราศจากความเกลียดปราศจากความโกรธและรักษาตนให้มีตะความสุขกายสุขใจเจิดด้วยจิตท่นเป็นไปด้วยกับเมตตาข็ให้มาดาบิดาครูอาจารย์ญาติพี่น้องและคนทั้งหลายขอจงปราศจากการผูกเวรปราศจากความเกลียด ปราศจากความโกรธก็ให้รักษาตนให้มีแต่ความสุขกายสุขใจเติดนก็ให้อรากาติวดาภุมมะติวดารุกขิตวดาอากาสติวดาเขาจงปราศจากกันหูกเวรปราศจากความเกลียดปราศจากความโกรธ ก็ให้รักษาตนให้มีแต่ความสุขกายสุขใจเกิดด้วยจิตเอันเป็นไปด้วยกับเมตตาด้วยจิตอันเป็นไปด้วยกับมุทิตาด้วยจิตอันเป็นไปด้วยกับบูเบขาอันไม่มีเวรไม่มีปียาบาเป็นจิตกว่างกวาง ประกอบด้วยคุณอันใหญ่หลวงยังไม่มีประมาณห้แปรไปยังสัพพสัตย์ทั้งหลายในที่ตวนออกที่ต่วนอกเฉียงใต้พิดต้พิีตะวันตกเฉียงใต้ที่ตะวันตกทิษตะวันตกเฉียงเหนือทิษเหนือทิต่วนอกเฉียงเหนือ ติดเบื้องบนและติดเบื้องล่างขอให้สรรพสัตว์ผู้มีชีวิตทั้งหลายสัตว์บุคคลผู้มีตัวตนทั้งหมดทั้งหญิงและชายพระธ ريا ชาทั้งหลายและอนารียชนผู้ยังไม่หลุดพ้นเหล่ามนุษย์และอมนุษย์เทวดาและเปรตทั้งหมดถึงสิน้น ขอจมปราศจากการผูกเวรปราศจากความเกลียดปราศจากความโกรธขอให้รักษาตนให้มีแต่ความสุขกายสุขใจเถิมดมารดาถานอหบุตรคนเดียวผู้เกิดในตนด้วยการยอมสละชีวิตของตนแดนฉันใดเธอพึงเจริญเมตตาจิต อันกว้างกวางอันหาประมาณไม่ได้ในสัตว์ทั้งปวงแม้ฉะ น, นั้นเหมือนกันก็ให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขจงมีความเกษมจงมีความเจริญก็ อ, อย่าได้ประสบความชั่วร้ายใดๆเลยก็ อ, อย่าได้ประสบความเศร้าโศก กันไดเลยก็จะได้มีความทุกข์ไดไดเลยขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขจงมีความเกษมจงมีความเจริญและที่ท่านได้รับฟังจบไปนั้นคือช่วงของจิตตวิเบรเป็นการทำจิตให้มีความสงบ เป็นการฝึกปฏิบัติธรรมให้มีความวิเวกหลิกเล่นอยู่ในใจในรายการธรรมรับรุณโดยมูลนิธิปัญญาภาวนากับพระมหาใบบูรณ์อาภิปุณโญท่านสามารถติดตามรับฟังได้ทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในตุ้วันาการฟังแต่เวลาตี 5-6 ถึงโมงเชา้าหรือว่าเครือข่ายของกรมรประชาสัมพันธ์ในช่วงเวลาต่าง หรือว่าในระบบพอดแคสต์หรือที่เว็บไซต์ปัญญา o org คําพระชาประมาหาไปบุ์หาพี่ปุนโนแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สเทเรนท์